เขาจะดีกสักคําถามสองคำถามครับการตั้งจิตอยู่กับกายเนี่ยก็คือกายยสตากายยคตาสติ <c oughs> ครับแล้วไอ้การตั้งจิตอยู่เนี่ยฮะเนื่องจากภูมิธรรมค่อนข้างน้อยเนี่ยอืมมันอาศัยความรู้สึกตัวหรืออาศัยอะไรกันแน่ครับที่ที่จะบอกได้ว่าจิตอยู่กับกายหรือว่าอยู่กับลมอ๋ออาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละนะก็คืออย่างเราสูดหายใจเข้าเนี่ยสูดปล่อยออก แค่รู้สึกลมกำลังไหลเข้าปล่อยออกอันนี้ก็นานเกินรัดนิ้วมือลัดนิ้วมือก็แค่นี้เองแค่นี้ผู้เจ้าก็ชมละสูดหายใจเข้าปล่อยออกครั้งหนึ่งเนี่ยโยมทำได้คือเอาจิตรู้อยู่กับลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกโยมขยายตรงเนี้ยเป็นสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งค่อยๆขยายไปเรื่อยเรืยแค่นี้ง่ายง่ายืม มันมีกรณีหนึ่งครับว่าเ อ, อเราจะรู้สึกกับลมที่เข้าออกตรงปลายจมูกหรือว่ารู้สึกถึงความร้อนหรือว่ารู้สึกทั้งตัวครับเช่นลมเข้าไปเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะรู้ตรงไหนได้บ้างครับหรือหรือว่าได้ทั้งหมดเลยครับกลับไปดูที่บทพันธสัญญาพระาศาสดาพระาศาสดาบอกว่าเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้ มีพูดไหมเรื่องริมฝีปากจมูกท้องหน้าอกไม่มีใช่ไหมมีคําบริกรรมอะไรมไม่มีใช่ไหมพูดแค่ไหนทําแค่นั้นเหมือนโยมอยู่ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์บอกแค่เนี้ยโยมจะไปถามแล้วคําบริกรรมมีไหมครับอไม่ต้องศา ส, สดาเก่งสุดแล้วอยู่ต่อหน้าศาสดาศา ส, สดาพูดปั๊บทําตามเลยทําตามอย่างนี้เพราะพระผู้เจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียว ผู้บัญญัตินิรุตติคือภาษาเลิศที่สุดเก่งที่สุดคืออรันตสัมมาสามพุทธเจ้านะนั้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นกับพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็ทำตามน ะ, ะครับบางครั้งเมื่อเราอยู่กับลมหายใจ บ, บ่อยๆหรือว่าความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆเนี่ยปัญหาก็คือเวลาคิดอะไรเนี่ยมันมันจะเกิดความว่างขึ้นนะฮะหลวงพ่ อ, อมันคิดต่อไม่ได้แล้วมันจะ<อ>หายไปอย่างเง มันเกิดอะไรขึ้นครับมันหันมาดูลมเฉยเลยอะไรเนี่ยก็ <c oughs> ดีสิ <c oughs> แสดงว่ามันเริ่มคุ้นเคยแล้ว <c oughs> นะอ่าจิตมันก็จะไม่ค่อยน้อมไปสร้างภพภ <c oughs> พคือการเกิดสถานที่เกิดและชาติคือการที่มเมล็ดพืชงอกขึ้นมาพุทธเจ้าเปรียบบิน ญ, ญาณเหมือนมเมล็ดพืชภพเปรียบเหมือนผืนนามเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วก็งอกด้วย น้ำคือนันทิราคะเพลินและพอใจนั้นโยมไม่เพลินการมันดีมากเลยนะอั น, นี้เวลายมจะทํางานจะทํำยังไงนาะครับนะนี่แหละครับเป็นปัญหาครับนะ <laughs> เพราะว่ามันคิดไม่ได้ครับเข<อ>าคิดเม<อ>ื่อไห่มันก็จะดึงกลับมา<อ>นะฮะแต่นี้<า>ธรรมชาติเนี่ยของคนเราเนี่ยมันจะคิดเยอะอันดับแรกเนี่ยให้ทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลก่อน นั้นคนทั่วไปเนี่ยโยมจะทิ้งความคิดได้แบบนิ่งสนิทเนี่ยมไม่ง่ายนะทำยากมากทากันเป็นสิบสิบปีแหลนะนะ <Yeah. S 1> นั้นในระหว่างที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อการละทิ้งอารมณ์ต่างๆความคิดความจำสุขทุกเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยให้แยกความคิดเป็นสองกลุ่มก่อนว่ากุศลอกุศลนั้นความคิดมัน มีกุศลมีอกุศลผู้เจ้าบอกว่าให้ทิ้งอกุศลก่อนยมสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องคิดอกุศลใช่ไหมงานเราจเจริญได้โดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนโน้นนะว่าคนนี้ฆ่าคนนั้นนะทําร้ายคนนีนะ้เราก็สามารถทําสัมมาอาชีพได้ใช่ไหมเหมือนกันแค่นี้นี่ยมได้เยอะแล้วนะการทิ้งอกุศลเนี่ยผู้เจ้าเรียกการจเจริญสัมมาสังกปะ มัคมีองค์แข้อที่2องในมัคมีองค์แข้อที่2เนี่ยบุคคลใดทำเนี่ยคนนั้นจะได้มัค8ข้อที่1ไปด้วยคือสัมมาทิฏฐิและเขาจะได้มัคมีองค์แในข้อสัมมาวายามะไปด้วยคือความเพียรที่ถูกต้องเขาจะได้สัมมาสติการระลึกได้ที่ถูกต้องไปด้วยเขาจะได้สัมมาสา ม, มาธิความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องไปด้วย มักมีองค์แปดจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันขณะที่โยมคอยทิ้งความคิดอกุศลอย่างเดียวจริงๆแล้วยมทิ้งอกุศลอย่างเดียวไปตลอดทั้งชีวิตก็หลุดพ้นได้นะ <laughs> ถามได้ทุกประเด็นนะเดี๋ยวอาตมายงเข้าพุทธวจนะหมดนะ่ะนะอ <laughs> เออหลวงพ่อครับข อ, อโอกาสอีกเล่าครับ <laughs> คือว่า ถ้าโดยโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะเราก็จะพุ่งความสนใจไปที่หนังสือั่งหากและตรงนั้นเนี่ยมันก็คือสังขารการปรุงแต่ง อ, อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอกุศลครับ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะหลุดพ้นเนี่ยในขณะที่เราเพ่งสมาธิไปตรงการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปได้อยู่เพราะว่าขนาดที่โยมมีสมาธิกับการอ่านหนังสือเนี่ยจิตก็ยังเกิดดับอยู่แต่บางทีโยมสังเกตไม่ทันแค่นั้นเองนั้นขนาดที่โยมอ่านหนังสือก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่กับหนังสือตลอดมันก็จะเดี๋ยวหลุดไปโน่นเดี๋ยวหลุดไปนี่ น, เนนะเดี๋ยวอยากไปกินกาแฟเดี๋ยวอยากไปนั่งคุยกับโต๊ะนั้นเดี๋ยวอยากไปทำโน่นมันแกว่งอยู่ปกติอยู่แล้ว เพราะมันคือสัจจะของวิญญาณวิญญาณมันจะเกิดดับตลอดมันไม่อยู่นิ่งผู้เจ้าบอกวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาเลยมันเกิดดับนั้นถ้าบุคคลใดมาอาศัยตรงนี้นะอาศัยการงานเป็นฐานฐานที่ตั้งเวลาจิตกําลังอ่านหนังสือปั๊บมันเคลื่อนออกไปปุ๊บโยมก็ละความเพลิอนอกกลับมาอยู่ที่การอ่านหนังสือโยมจะได้อะไรได้การละภาวะตัณหา ความอยากในการสร้างภพภาวะคือภพตัณหาคือความอยากจิตหลุดไปสร้างอารมณ์ปับ๊บโยมละโยมละละตลอดเลยการอ่านหนังสือโยมก็จะมีสมาธิสูงสุดใช่ไหมจะเก็บรายละเอียดได้หมดไม่ตกหล่นนะงานทางธรรมโยมก็จะได้การละภาวะตัณหาเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานได้เลยนะเอยครับหลวงพ่ออย่างนี้สมมติว่าเราพุ่งประเด็นไปที่อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวนะครับ ปัญหาก็คือว่าไอ้ความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยและไอ้ความอยากต่างๆเนี่ยมันลดลงอครับตรงนี้มันจะกลายเป็นคนเย็นชาเฉยๆไหมครับเย็นชาในที่เนี้รู้จักไม่ใช่ไม่รู้จักเพราะนั้นพระละหันเนี่ยรู้จักทุกเรื่องแต่ปล่อยวางซึ่งต่างจากคนบ้าที่ไม่รู้จักอะไรนะเะนั้นเรารู้จักนี่สุขนี่ทุกข์แต่เราไม่หยิบเรารู้จักก้อนเหล็กร้อนเราไม่ไปจับ เรารู้จักน้ําแข็งเย็นเกินไปเราไม่จับเราจับสิ่งที่พอดีพอดนะีนั้นเราจะเป็นผู้ผู้เจ้าเรียกว่าเป็นผู้มีอํานาจเหนือคันลองแห่งจิตเราจะรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์จิตปรุงมาเพื่อไปพยาบาทเบียดเบียนเราก็ไม่ทําเพราะเรารู้ว่าความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นในภายหลังจิตปรุงมาเพื่อกุศลเราก็จะทําเพราะเรารู้ว่าการปรุงแต่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างนี้นะ มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับอย่างเช่น <c oughs> บุญกุศลเนี่ยเมื่อก่อนดูเหมือนว่าทําแล้วจะมีความสุขหรือว่าอยากจะทําครับแต่พอเรามาทํำเรื่อยๆมันกลายเป็นเรื่องเฉยๆไปนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไปยึด ต, ตรงนั้นครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันถูกทางหรือว่ามันผิดทางเ<ด>ลยยังไงครับนะก็ดีแล้วแรกๆเราทําบุญกุศลเนี่ยเราจะเกิดปิติเกิดความสุขนะพอใจที่ได้ทํา และก็ยังมีการนึกคิดไปอีกว่าเออบุญกุศลเนี่ยคงให้เราได้เกิดในสุขติโลกสวรรค์เกิดความสุขความสบายอะไรต่างๆซึ่งมันก็ถูกอยู่แต่พระเจ้าบอกว่ามันยังเนื่องด้วยอุปธิเนื่องด้วยของหนักยังอยู่ในสังสารวัตรนะแต่ถ้าใครทําเพื่อทํนะเพื่อสร้างประโยชน์แล้วก็ทาแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางอันนี้จะเริ่มเป็นส ม, มาธิฐิเบื้องปลายนะเริ่มเป็นระดับของอริยะนะ ทำแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นทําแล้วก็ปล่อยวางไปวางไปความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับโยมเพราะบางทีเราทําแล้วความทุกข์มันเกิดก็มีนะถ้าเราเข้าไปยึดเรายึดความดีก็เป็นทุกข์เราทําความดีคนว่าไม่ดีเราก็ทุกข์อีกนะเราคิดเรื่องดีดีขึ้นมาทําไมคนนั้นไม่เห็นด้วยคนนี้ไม่เห็นด้วยเราก็ทุกข์อีกเพราะเราไปยึดเรื่องดีไปยึดความเห็นใช่ไห ม, อ, ม อ, อีกนิดนึงครับ คืออย่างที่ว่าแหละครับถ้าเกิดเราอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะฮะแล้วก็เราไม่พยายามจะไปปรุงแต่งเนื่องจากมันเห็นแล้วว่าการปรุงแต่งตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างทุกข์นะฮะอยู่เฉยๆแล้วมันจะกลายเป็นคนโง่้บไหมครับซึ่งเราก็จะไม่เอาเหมือนกันพวกนั้นก็คือนิ่งๆครับใช่อาตมาทําอานาป่าแรกๆสมัยเป็นนักเรียนก็นึกว่ามันจะโง่นะเรามานั่งรู้ลมหายใจมันโง่แน่เลยนะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้อะไรเลยนะ แต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าจะเป็นคนฉลาดที่สุดนะพเจ้าบอกเลยว่าถ้าจิตเราสงบเนี่ยจะสามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกยมดูสิพระเจ้านั่งสมาธิเงียบๆ เ, เนี่ยแต่รู้ว่าจักรวาลมี3ระดับนะใช้การส่องแสงของดวงอาทิตย์ส่องไปได้สุดเท่าไหร่ทวีขึ้นไปอีกพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุเรียกสหัสสีจุลนิกาโลกธาตุ ทวีขึ้นไปอีกหนึ่งพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุเรียกติสห ส, สีมหาสาหศีจุลนิกาโลกธาตุอย่างนี้ถามว่าใครรู้นั่งเงียบอยู่ใต้โคนไม้รู้มันหมดทุกเรื่องเลยใช่ไหเนี่ยเราประมาทปัญญาจากความสงบไงเราคิดไม่ออกว่าเอ๊ะจิตสงบแล้วมันจะได้ปัญญายัางไงวะเนี่ยน ะ, ะเป็นอย่างนี้นะ รู้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดและยังรู้สิ่งที่เล็กที่สุดนะเป็นปรมานูเป็นอะไรนี่ผู้เจ้าก็บอกไว้ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วนะการที่จิตโยมสงบเนี่ยการคิดของโยมเนี่ยมันจะเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะอ่ามันจะไม่สเปสสปะ กูจ้าบอกจิตมันจะมีกำลังเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลงตรงๆจากภูเขาเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีกำลังมากถ้ามันไม่ถูกซอกซอย ไ, ซยไปซ้ายไปขวาเนี่ยนะอไอ้ซอกซอยที่ไปซ้ายไปขวาเนี่ยคือตัวความฟุ้งซ่านที่เรียกว่านิวรนนะพอใจในรูปเสียงกลินลดไม่พอใจในรูปเสียงกลินลดความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหานอนความสงสยัยลังเลไอ้พวกนี้เป็นเครื่องทวงกาลังทั้งนั้น Uh huh. จริงๆโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้สงสัยตรงนั้นนะฮะ uh huh. เพราะว uh huh. ่าการทำดูแล้วก็ก็พบกับตัวเองบ้างนะฮะ uh huh. แต่ก็ยังไม่ถึงไหนคร uh ับ huh. uh huh. มีใครมีประเด็นอื่นอาเชิญออ นรรมการครับพระอาจารย uh huh. ์อ่านหนังสือแก้กรรมของพระอาจารย์นะครับ uh huh. ของของพระอาจารย์ที่เป็นผู้จวัจนทจะมีกรรมอยู่ข้อหนึ่งซึ่งกล่าวถึงปุพพันตานุทิติกับอัปปรันตานุทิติอ๋อ uh huh. คือไม่ค่อยชัดเจนในสองคำนี้เท uh huh. ไรครับรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธ uh huh. ิบายนิดหนึ่งครับปุพพันตะหมายถึงอดีตอัปปรันตะก็คืออนาคตเหมือนเราจะ ได้รู้คําบาลีเหมือนกับปุอ่อปุบเพนิวาสานุสติยานหรือบุบเพสันนิวาสนเะนี่ยก็คืออดีตเนี่ยอดีตนะปุบพระหรือปุบพันตะเนี่ยเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตหมายถึงความเห็นที่ปาลบขันขันคือธรรมชาติอันเป็นไปในอดีตนะอปัลันตะก็คืออนาคตนะความเห็นที่ปาลบขันในอนาคตว่า เอออนาคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเราจะรวยจะจนจะดีไม่ดีงานจะสําเร็จไหมนะเออดีตทํามาแล้วเนี่ยไปฆ่าเข้ามานี่มันจะรอดไหมเนี่ยนะแอบกังวลละนะเออเราทําดีมาตั้งหลายปีทําไมไม่ได้ดีสักทีนะ ม, มันก็จะกังวลอดีตกังวลอนาคตเนี่ยอันนี้เรียกปุพันตานุทิฏฐิกับอัปลันตานุทิฏฐิ ความเห็นปลาลบขันเบื้องต้นเบื้องปลายซึ่งโสดาบันจะละได้จิตของโสดาบันเนี่ยจะอยู่กับปัจจุบันและโสดาบันรู้ว่าขันห้าธรรมชาติห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันเป็นไปในปัจจุบันเนี่ยก็กําลังถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นจะสนใจอะไรกับขันห้าที่ล่วงไปแล้วกับขันห้าที่ยังมาไม่ถึงนั้นพระโสดาบันจะปล่อยวาง ความเห็นอันปลาลบขันเบื้องต้นกับเบื้องปลายนั้นเมื่อปล่อยวางตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าพราะโสดาบันจะไปวิ่งดูหมอไหมะจะไปวิ่งสะดอเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาข้างหน้าเดี๋ยวมันจะไม่ดีไหมไม่พระโสดาบันจะเชื่อกรำรนั้นคนที่ยังวิ่งดูวิ่งสะดอเคราะห์นั่นคือไม่เชื่อเรื่องกรรมยังเชื่อเรื่องกรรมอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่แน่นแฟน้นการเชื่อเรื่องกรรมแบบ ผ, ผิดจะมีสี่อย่าง ผู้เจ้าบอกว่าบอกพิสูจทั้งหลายเนี่ยคนจะคิดว่ากรรมเนี่ยหรือสุขทุกขเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีสิ่งอื่นมีใครบันดาลอย่างที่สองคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเนี่ยเกิดจากตนเองบันดาลอย่างที่สมคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเนี่ยเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองอย่างเลยเราด้วยเขาด้วยนะอย่างที่4ี่เขาจะคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเนี่ยเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ สีความเห็นเนี่ยเป็นมิจฉาทิถีหมดเลยนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับชาวพุทธจำนวนมากเหมือนกันใช่ไหมอ่างนั้นจริงๆแล้วในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เรารู้เราเห็นมานะังั้นถ้าเราเชื่อมั่นในเรื่องกรรมจริงๆเราก็จะไม่ไปกังวลกับการต้องไปบนบาลสารกล่าวอะไร เราจะเชื่อว่าเราทําอย่างไรมาจะต้องได้อย่างนั้นไม่มีใครไปปรุงแต่งให้กรรมมันเป็นไปอย่างอื่นได้ถ้าพรมเป็นคนบันดาลอีสร์บันดาล น, น ะ, ะพรมบันดาล <c oughs> ถามว่าล็อกใครบันดาลอีสร์ใครบันดาลพรมในเมื่อพรมเทวดาทั้งหลายเนี่ยเมื่อทําการละคือตายก็ยังไม่พ้นจากนรกกัมเนจเดชานหรือเปรตวิสัยใครเป็นคนสั่งให้พรมไปเป็นเปรต สั่งให้พรมไปเป็นสันนรกนะใครเป็นคนสั่งให้สันนรกขึ้นมาเป็นมนุษย์นะใครสั่งให้มนุษย์ขึ้นไปเป็นพรมนะเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้นั่นก็คือกรรมคือการกระทำของเราเองนะนั้นถ้าเราหลีกออกจากความเชื่อที่เป็นสันจจะความจริงตรงนี้เราก็จะไม่หมั่นทาความดีเราก็จะทำไม่ดีเสร็จแล้วไปคอยแก้กรรมเอา ไปคอยบนบานสารกก่าช่วยลูกด้วยเธอไปฆ่าคนมาต้องร้อยคนแล้วอยากจะรอดใช่อ่านั้นเราจะพยายามเบี่ยงเบนกรรมด้วยการกระทำนะด้วยการอ้อนวอนด้วยการสะดอคลาะดูเลิกดูยามไปหาหมอดูจะหาวิธีแก้อย่างไงเราจะไม่แก้ด้วยการทำความดีใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตรงนี้นี่คือหลักกรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสีย ผู้เจ้าจึงบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาสวนสักดิ์สิทธิ์บ้างป่าไม้บ้างลุกขจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะคือที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นไปจากความทุกได้นั่นเขากําลังเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นน่ะช่วยอะไรเขาได้นะแต่จริงๆวิธีดับกรรมหรือแก้กรรมที่แท้จริงที่ถูกต้องคือมักมีองค์แ ถ้าโยมมาฝึกกายวาจาจิตเดี๋ยวนี้ณนะเวลานี้นะให้ถูกต้องตรงตามรมรรคมแปดเนี่ยโยมพ้นจากกรรมได้ดับกรรมได้แบบถาวรด้วยนะและมรรคแดเนี่ยไม่มีการไม่ให้ผลผู้เจ้าเปรียบเทียบกับยาถ่ายยาถ่ายทั้งโลกเนี่ยบางทีก็ให้ผลบางทีก็ไม่ให้ผลแต่ผู้เจ้าบอกวิเลจรังยาถ่ายอันเป็นอริยะคือมรรคแปดเนี่ยให้ผลร้อยเปอร์เ แน่นอนไม่มีการไม่ให้ผลนะหลวงบอกมันจะทายความแก่ความเจ็บความตายออกจากเราไปนะความแก่เจ็บตายจะหมดไปได้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาพระุทธเจ้าจึงบอกการรู้ลิสัทสีเนี่ยเร่งด่วนอันดับหนึ่งของชีวิตเลยนะอันสอดคล้องกับในในพระสูตรที่ว่าเรื่องกรรมสี่แบบที่ว่า อ, อ่าพอดีผมทรงจามา เรื่องกรรมข่าวที่พระเจ้าตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลในกรณีนี้นี่อืออันปรุงแต่งทางกายอันไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนและก็ว่าใจชก็นี้เป็นกรรมข่าวใช่ไหมครับซึ่งจะจะมีผลสุดท้ายคือเป็นเทพสุขใช่ไหมครับแต่ทีนี้ก็จะไปในข้อสี่ที่เรื่องของกรรมไม่ดำไม่ขาวถูกต้องจริงๆแล้ว จุดประสงค์ของพัฒถาคตนี่ก็คืออยากให้เราเน้นไปทางกรรมไม่ดำไม่ขาวถูกต้องใช่เพื่อความสิ้นกรรมนี่มีมีอีกข้อนะครับจริงถ้าเกิดดูตามพระสูตรของหนังสือสิบเล่มที่พระอาจารย์รวบรวมมาพอดีผมไปได้รับหนังสือจากที่หนึ่งมาเขาก็จะเน้นว่าให้เราสร้างสร้างพระพุทธรูปแล้วตอนที่เราตายเนี่ยพุทธรูปจะมาลอยบนหัวเราให้เราระลึกถึง เราก็จะไปในในดุสิตธานีดุสิตบุรีแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เราลองมากําหนดบทพยัญชนะแล้วลองมาเทียบดูในพระพระสูตรก็จะมีพระสูตรอยู่สองสองพระสูตรที่บอกว่าที่เกล่าวกับพระอานนท์ว่าอสัสดาล่วงให้เอาทำวินัยของเราเป็นศาสดาของเธอในการลุ่งไปโดยเราอันนี้คือตอนที่พระปฏิพญาณก็คือเอาพระธรรมใช่ไหมครับกับอีกพระสูตรหนึ่งที่กล่าวว่าพิกษุซึ่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ย เกาะชายพชร์วรแต่ไม่ทําตามพระองค์เอ้ยไม่ไม่ทําตามพระธรรมที่พระองค์สอนใช่ยังไม่เท่ากับภิกษุที่อยู่ห่างไกลแล้วปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์สอนใช่คือเหมือนพระเจ้าจะให้น้ําหนักกับพระธรรมของพระองค์มากมากกว่าตัวพระองค์เองด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องเพราะพระองค์ก็บอกเรื่องนี้กับวัคคาลิว่าวัคคาลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้พระองค์ยังบอกกายพระองค์เนี่ยเป็นกายเน่ามีประโยชน์อะไรมาเห็นกายเน่าเนี่ยใช่ไหมอ่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเพราะนั้นพระองค์เน้นไปที่อนุสาสนีปฏิหารปาฏิหารคือคำเทศสอนนะและไม่ได้เทศสอนให้เราเนี่ยได้กายใหม่นะไม่ต้องการให้ไปเกิดในอะไรพู้เจ้าบอกว่าคนพาลประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการได้กายไปเกิดที่นั่นที่นี่นะ แต่บัณฑิตจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการไม่เข้าถึงกายอีกต่อไปนี่เป็นระบบพรหมจริยวะที่แตกต่างกันระหว่างคนผ่านกับบัณฑิตเห็นะนั้นในศาสนาพุทธของเราเนี่ยไม่ต้องการให้ไปสวรรค์ชั้นโน้น ôn, ชั้นนี้ไม่ใช่นั่นไม่ใช่คำสอนของพระศาสดา <c oughs> ต้องการให้ถึงมรรคนิพพานนั้นถ้าเราเปรียบเทียบคำสอนแล้วเนี่ย พระองค์บอกไม่มีศาสดาใดเลยที่จ ะ, อะสอนเพื่อการไม่ได้กายนะส่วนใหญ่จะสอนก็เพื่อให้ได้การเกิดอีกครั้งนะซึ่งการเกิดขึ้นเนี่ยจะนำมาซึ่งความแก่และความตายมันพ้นตายไม่ได้จริงไงนะนี่ก็คำถามสุดท้ายนะครับมีพระสูตรจากาพุทธประวัติจากพระโอส์อซึ่งกล่าวว่ามี มีการปฏิโมกซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไปนนั่งอยู่เป็นประธานสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสงฆ์ไม่ไม่เริ่มการปฏิโมกจนจ น, จนผมไม่แน่ใจว่าพระโมคคละนะหรือท่านใดที่เห็นว่ามีพระพิสุทิ์อวบัดอยู่อยู่รูปหนึ่งจนกระทั่งต้องไปดึงแขนออกอืพระพุทธเจ้าก็ตัดตอนหลังว่าพระองค์จะไม่ทงงรงทรงทาปฏิโมกอีกคือในยะจากพระพุทธวัฒนะพุทธวัฒนนะเออทุครับพุทธประวัติช่วงนี้ยคือต้องการที่จะจะจ ะ, จะสอนอะไรเราครับโอ้ได้ไหลแง่ามากเลย ตรงนี้ได้หลายแง่มุมมากเราได้ทราบว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยในครั้งแรกทรงแสดงปฏิโมกด้วยพระองค์เองผู้เจ้าสวดปฏิโมกเองนะ <c oughs> วินัยที่พระองค์บัญญัติเอาไว้เราได้ทราบว่าขนาดปล่อยเวลาให้ล่วงไปสามยามแล้วยามละสีชั่วโมงเกือบสิบสองชั่วโมง แม้พระโมกขลานะที่เลิศทางฤทธิ์ธพระอนุรทะที่เลิศด้านทิพยยจากักขู่ก็ยังมองไม่ออกว่ามีพระทีทุศิลปนอยู่ในภิกษุบริษัทนะพระนรนมาเตือนผู้เจ้าสามรอบผู้เจ้าไม่ไปลงอุโบสถไม่ไปสวด น, นั่งเงียบพระนรนก็ถอยไปถึงยามสามแล้วเตือนอีกรอบหนึ่งจะสว่างแล้วผู้เจ้าก็เลยต้องบอกว่ามีบริษัทไม่บริสุทธิ์ปะปนอยู่นะนั้นมีพระทุศิลปนอยู่ นั่งกันเงียบหมดไม่มีใครรู้เลยเห็นนะมเนี่ยเป็นสิ่งให้เรารู้ว่าแม้จะเลิศทางฤทธิ์เลิศทางปัญญาขนาดไหนไม่เท่าสัพพัญยูนะจากนั้นพระนนก็ไปบอกให้ <c oughs> ออกไปก็ไม่ออกบอกสามรอบไม่ออกพระโมคลานะก็พอพระศาสดา พ, พูดโมคลานะก็ดูเป็นล่ะ <c oughs> ก็เริ่มตรวจดูนะแล้วก็รู้ว่าใครไม่บริสุทธิ์แล้วก็บอกให้ออกไป สรอบก็ไม่ออกก็เลยต้องเดินเข้าไปจับมือจุงออกไปอาจจะไม่ออกได้ดีหรอกแต่คงจะจับจุงไปด้วยฤทธิ์นะถึงจะไปด้วยดีนะนี่นี่ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ได้หลายแง่มุมแล้วทาให้เราเอา่ทราบว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้เจ้าก็ไม่ลงไม่ทรงสวดปฏิโมอีกต่อไปปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ทํากันเองนะแล้วก็เริ่มบัญญัต กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการลงอุปโภคส่วนปฏิโมกนะข์คำถามสุดท้ายนะครับ uh huh. uh huh. คืออ่านในหนังสือแก้กรมของพอาจารย์คือมีพระพิสุรูปหนึ่งเนี่ยกล่าวกล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดคือออกจากล้างนี้ก็จะไปไปเรื่อยๆ oh. คือพระพิสุพูดพูดเพียงเท่านั้นพระพุทธ uh huh. เจ้ากล่าวต่อว่าถึงขั้นว่าเป็นโมคะบุรุต uh huh. ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าบุคคลประเภท ใดซึ่งจะเข้าข่ายของโมโมคาบุลูดบ้างครับบุคคลที่เข้าข่ายโมคาบุลโมคาบุลเนี่ยคือบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐินั้นมิจฉาทิฏฐิในส่วนของธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนั้นถ้าเราจําธรรมะผิดซึ่งธรรมะตรงนี้เป็นธรรมะชั้นลึกที่มีความสําคัญมากถ้าไปเข้าใจผิดว่าวิญ ญ, ญาณเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะหลุดพ้นไม่ได้มันจะมองว่าวิญ ญ, ญาณเป็นชีวิต และมันจะกลายเป็นว่าวิญญาณเนี่ยเป็นนิจจังเราจะออกจากวิญญาณไม่ได้นั้นวิญญาณเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาส่วนใหญ่ชาวพุทธจะคิดว่าวิญญาณเวียนไปในภพต่างๆ <c oughs> เป็นเหตุเพราะว่าเราใช้ใช้บัญญัติศั์ชื่อเนี่ยชื่อเรียกเนี่ยผิดนะไม่ใช้บัญญัติศั์ตามพระาศาสดานี่เป็นประเด็นแรกเลยเพราะนั้นเมื่อเรา เราไปใช้ว่ า, าสิ่งที่กำลังเวียนไหวเวียนหอยู่ในวัฏฏะเนี่ยคือวิญญาณหรือคือจิตเนี่ยมันจะผิดทันทีผู้ที่เวียนไหวในวัฏฏะเนี่ยผู้เจ้าจะใช้คำว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกยาวหน่อยแต่ก็ต้องเรียกอย่างนี้เรียกอย่างอื่นไม่ได้นะมันมีสภาวะธรรมอันนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพ ผูกติดอยู่ในขันห้านั่นเองและขันห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉนั้นไอ้ผู้หลงเนี่ยแหละที่เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ใช่วิญ ญ, ญ, ญาณเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเป็นสิ่งที่มันเข้าไปหลงและวิญญาณมีสภาวะธรรมชาติของมันคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเป็นผู้รู้4ี่ธาตุเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยวิญญาณ ระบบนี้ทำงานกันด้วยการที่วิญญาณเข้าไปรู้ในสี่ธาตุ <c oughs> อยู่ตลอดเวลาและมีผู้หนึ่งซึ่งมีอวิชชาเนี่ยผู้ไม่รู้เนี่ยเข้าไปหลงยึดห้าธรรมชาตินี้ไอ้ผู้นี้แหละที่มันสะสมซึ่งพูะเจ้าจึงบอกว่าเธอและเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยตลอดการยาวนานถึงเพียงนี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้อริสัตย์สีไม่รู้สัจจะความจริงว่าขันทังห้าเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตนะ อ่ามันเป็นเพียงเหมือนกวดหินดินทรายเนี่ยนะมันก็เกิดดับเกิดดับของมันไปมันไม่รู้เรื่องอะไรนั้นชีวิตจริงๆของเราทุกคนเนี่ยคือสภาวะของวีมุติแต่เรียกวีมุติยังไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชาจึงเรียกว่าผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเมื่อปฏิบัติมรรคแจนอวิชาหมดไปแล้วมีวิชาจึงถูกเรียกหมายว่าวีมุดติยานัทสนะผู้รู้ในบีมุตดนี่ เราต้องเรียกชื่อถึงแม้จะยาวหน่อยเต็มๆอย่างเนี้ยมันจะไม่เข้าใจผิดเข้าใจไหมถ้าใช้คําว่าจิตอย่างเดียวปุ๊บหรือวิญญาณเนี่ยมันจะงงเลยพราะพระุทธเจ้าบอกจิตมโนวิญญาณเนี่ยคือสามชื่อตัวเดียวกัน<อ>เห็นนะและมันไม่ได้ไปเวียนเกิดเวียนตายที่ไหนมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับของมันเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ําเกิดมาแล้วก็แตกดับไปอย่างนี้นะไม่ไม่ได้เป็นเหมือนกับเป็นลูกรอยไปเข้าคนนู้นออก ไม่ใช่ oh. <c oughs> ไม่ใช่ทีนี้หลักการจริงๆ <c oughs> ที่เราจะกําจัดอวิชชาเนี่ย <c oughs> เราควรจะพยายาม <c oughs> คือหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพระอาหารหันต์ที่เป็นปัญญาวิบุธอะครับอ่า uh huh. เขาจะท่านจะละห้าขันลวดเลยหรือว่าจะค่อยๆค่อยๆลดทีละขันนะครับ uh huh. ว่าอ่แล้วแต่อินทรีย์บารมีแต่ละคนบางคนก็ละทีละขันบางคนก็ละลวดเดียวนะความสามารถไม่เท่ากันขอบคุณครับอาจารย์ นั้นเกือบทั้งหมดอาจจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยเวลาไปพบภูมิอื่นหรือเปลี่ยนจากอารมณ์หนึ่งไปอารมณ์หนึ่งจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งไปอารมณ์นี้วิญญาณวิ่งไปอารมณ์นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงวิญญาณก็เป็นนิจอยางวิญญาณไม่ดับแล้วมันจะไปดับตอนไหนนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยเอ่อขาออกาสครับ S <S เออหลวงพ่อครับสมมติว่าในขณะที่เรารู้อยู่ที่กายอยู่ใช่ไหมครับมันจะมีสองสภาวะที่ปรากฏเท่านั้นแหละคือรู้กับไม่รู้รู้กับไม่รู้อยู่อย่างนี้ครับถ้าถามว่าเราจะปล่อยวางได้ยังไงครับหลวงพ่ อ, อเรารู้อยู่แค่นี้จริงจริง อ, อ, อันนี้แหละเป็นความสลัดของผู้เจ้าที่ใช้กิเลสมาเพื่อละกิเลสเราไม่ต้องทำอะไร ผู้เจ้าเปียบเหมือนเท้าเปื่อนเนี่ยเอาเท้าล้างเท้าก็คือเท้าถูเท้า ถ, ถูไปถูมาล้างเท้าสะอาดได้ <c oughs> ยมลองดูว่าสติปัญญาเนี่ยที่เราฝึกกันอยู่ตลอดเนี่ยก็ยังเกิดดับแสดงว่าสติปัญญาเนี่ยเป็นธรรมายเกิดดับไม่ใช่วีมุดนะแล้วเราฝึกสติปัญญาเนี่ยเราฝึกกิเลสนะเพื่อมาละกิเลส อาชีตาถามผู้เจ้าสติปัญญาดับไหมผู้เจ้าบอกดับอ้าวงั้นสติปัญญาก็เป็นกิเลสนั่งฝึกกันแทบตายนั่นคือผู้เจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในการหยิบธรรมชาติฝ่ายสมมุติคือกิเลสนี่แหละมาเพื่อลักิเลสธรรมชาติฝ่ายสมมุติแบบไหนที่ฝึกแล้วมันจะช่วยทําให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงมาเรื่อยเรืเรื่อเื่ อ, อืจนทั่งเฉียดวิมุติละค่อยปล่อยไอ้ตัวนี้อีกทีหนึ่ง สุดท้ายอย่างเนี้ยนะ <c oughs> พระองค์จะเปรียบเหมือน <c oughs> เรือแพที่พาเราข้ามฝั่งจากฝั่งนี้ซึ่งมีอันตรายมาสู่ฝั่งนี้ซึ่งปลอดภัยนะนั้นบุรุษคนหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ซึ่งมีอันตรายนะเขารู้ว่ามีอันตรายอันตรายกำลังใกล้เขาเข้ามาแล้วเขาต้องรวบรวมหญ้าใบไม้แห้งทำเป็นเรือเป็นแพ และเพียรพยายามไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างของเขาเมื่อเขาถึงฝั่งนี้ที่ปลอดภัยแล้วบุรุษคนนี้จะเกิดความเสียดายอะไรไหมว่าเรือแพนี้มีอุปการะมากต่อเราชะไหนเลยจะแบกขึ้นบาบไปด้วยกันหรือทูลขึ้นบนศีรษะไปด้วยกันเสียดายเรือแพมีใครทําอย่างนั้นไมเวลาถึงฝั่งแล้วไม่มีแต่ก็ทิ้งเรือแพไว้ข้างฝั่งนั้นแหละ ครูเจ้าจึงบอกว่าธรรมะพระองค์ก็เหมือนกันธรรมะพระองค์ที่แสดงมาทั้งหมดเปรียบด้วยพ่วงแพรเมื่อถึงฝั่งแล้วถึงวิมุตตแล้วโยนทิ้งหมดอริยสัจสีมาก8โยนทิ้งหมดนะไม่ได้หยิบเอาไปด้วยและอีกมุมหนึ่งในขณะที่โยมกำลังรวบรวมเอายาละไม้แห้งทำเป็นเรือแพรอีกคนมาบอกว่ายาเพียนเลย ความเพียรเป็นความอยากนะเดี๋ยวไม่หลุดพ้นโยมก็ตายอยู่ฝั่งนั้นแน่นอนนะนั้นความอยากต้องใช้ระดับหนึ่งก่อนนะคำว่าฉันทะาจึงมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งเป็นประโยชน์นัยยะหนึ่งเป็นโทษนะฉันทาอยู่ในอิทธิบาทสฟังแล้วเป็นประโยชน์แต่ฉันทาผู้เจ้าก็บอกว่าเป็นมูลแห่งความทุกข์ทั้งปวงทุกใดๆที่เกิดขึ้นในอดีต นะทุกใดๆที่เกิดขึ้นในานาคตและทุกใดๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเพราะฉันท่เป็นมูลมีเพราะฉันท่าเป็นเหตุเพราะว่า <c oughs> ฉันท่าเป็นมูลเหตุของความทุกข์เห็นไนหะถ้ายมฟังใครควรไม่ดีก็จะงงว่าแล้วตกลงฉันท่ามันดีหรือมันไม่ดีน ะ, ะคือที่สุดแล้วมันไม่ดีแต่มันดีในระดับเบื้องตน้นต้องใช้ฉันท่าก่อน ลักษณะของชันท่าที่เป็นประโยชน์เช่นผู้เจ้าบอกว่าเธอต้องมีธรร ม, มาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดนะีถ้าโยมไม่ยินดีในธรรมยมจะมาปฏิบัติธรรมทาไมถ้ายมไม่เห็นประโยชน์ใช่ไหมปหานาราโมมีการประหานกิเลสเป็นที่มายินดีขณะที่เรากำลังเพียนเผากิเลส น, นั่นแหละยมกําลังยินดีในการทําสิ่งนั้นแล้วเห็นนะความยินดีตรงนี้ต้องมาก่อน เอาอีกสักคำถามนะครับ <c oughs> ก็คือว่าแสดงว่าในขณะที่เรารู้อารมณ์หนึ่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้รู้อารมณ์อื่นเลยนะฮะหรือไป ร, ไปรู้อารมณ์อื่นเนี่ยก็ไม่ได้รู้อารมณ์ใดๆอีกเลยถูกต้องครับแสดงว่าจิตเนี่ยก็แค่เกิดดับอยู่แค่นี้ที่เราเห็นอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับใช่นั่นคือจิตเนี่ยตั้งอาศัยอยู่ได้ทีละขันครับทีละธรรมชาติอืมันรู้ควบกันสองขันไม่ได้ะครับ แต่ว่าเราจะเห็นขณะจิตที่ละเอียดไม่ได้ใช่ไหมครับเรือขึ้นอยู่มองไม่ทันมองไม่ทันเพราะมันเร็วมากครับเพราะบางครั้งการรู้อารมณ์แต่อารมณ์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งก่อนที่จะระลึกได้ถึงอีกอารมณ์นะอย่างเช่นยกตัวอย่างดูลมหายใจอยู่ใช่ไหมฮะหลงไปอยู่ที่สิ่งอื่นนะแล้วกลับมารู้เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังมีระยะเวลาของการรู้อยู่นะแสดงว่าเราเพลินอยู่ใช่ไหมฮะเพลินอยู่ครับ ไม่ทันมันไม่ทันแล้วบางทีมารู้ทีหลังมันทุกทีอะ่ะ<ม>เคลื่อนไปแล้วครึ่งชั่วโมงเพิ่งมารู้ตัวโอ้โหนั่งคิดตลอดเลยนะออืมพระอาจารย์ครับผมไม่ทราบว่าจะจําพระสูตรผิดหรือเปล่านะครับพระาอาจารย์ที่พระอัชชีที่พระสาริบุ ธ, ธาพระพระอัชชีและพระอัชชีตอบว่าสิ่งใดไม่เคยมีสิ่งนั้นย่อมมีมาสิ่งใดมีมาย่อมตัดไปอันนี้ เป็นอิทัปยาตาหรือเปล่าครับผมอ๋อไม่อ่าอพระสัชชีจะตอบภาษาริบุตรตรงที่ไปถามเนี่ยเรื่องขอธรรมะสั้นๆว่าอทำเราใดเนี่ยเกิดแต่เหตุโอ้ทำใดกันอ่าใช่ทำทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงห เ, เ, เหตุแห่งธรรมเหล่านั้นก็คือพูดเรื่องกฎอิทธปัจจยาตาอว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแต่เหตุหมดครับอ่า พระอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเพลินไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพลินไปเรื่อยนี่เรียกว่าความเพลินใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเราเพลินไปเรื่อยๆจนคิดว่าเอ้ยยังไงมันมีเกิดดับมันจะเรียกจากความเพลินเป็นปัญญาใช่ไหมพระอาจารย์อ่าจะมองมุมนั้นก็ได้อ๋อท่นี้เมื่อเกิดปัญญาตรงนี้มากๆแล้วเนี่ยเราจะไปเพลินอีกไหมเราก็จะไม่เพลินเราก็จะไม่อยากไปเพลินกับ ừ ừ, สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา ừ, ใช่ไหม Uh huh. อีกนิดครัพระอาจารย์ถ้าเกิดเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปเนี่ว่าจะถูกหรือเปล่านะคะรับพ uh huh. ระอาจารย์จริงๆทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความว่างทั้งหมดใช่ไหมพระอาจารย์ uh huh. จากความว่างก็เคลื่อนมาเป็นเริ่มเป็นลมเป็นไฟเป็นน้ํา <c oughs> เป็นดินจนเป็นมหาพุทาสี่เกาะเต้นเป็นของเราทั้งหมดเสร็จแล้วก็อยู่มีท่าตัวนึงตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วก็รู้ทั้งหมดจริงๆพอมันไปรู้เนี่ยมันก็ว่างแต่พอมันเริ่มไปรู้เล็กๆเลื่มเริ่มไปยึดติดพอมไปเจอสิ่งดีๆมันก็เอ้ยสุข มันก็ติดไว้เลยพอพอเกิดเป็นความเจอจริงเนี่ยมันมีความสุขไปเรื่อยพระอาจารย์แต่มาพุทธะสี่อ่ะพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเสื่มไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันแตกไปก็เสียใจจนมันติดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่นะพอรู้มาจนเป็นสติคัดไปเรื่อยจนจนถึงจุดหนึ่งสุขก็ไม่ใช่ทุกก็ไม่ใช่เมื่อกลับไปที่เดิมใช่พระอาจารย์ก็ ที่พูดมาก็รู้สึกเหมือนอเป็นความเข้าใจที่ถูกแต่บทพันธสาอาจจะผิดน ะ, ะบทพันธสัญาไม่ไม่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะ<อ> ก, ก็คือไอ้ธรรมชาติพวกเนี้ยทั้งฝ่ายเกิดดับและไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะทุกอย่างมันมีอยู่ของมันแล้วพระเจ้าจึงบอกว่าธรรมชาตินั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีใครสร้างอะไรหรือไม่ได้มีอะไรเกิดมาปรากฏอะไรมันก็เป็นธรรมชาติปัญหาคืออยู่ที่ว่าอาวิชชาเนี่ยนะซึ่งอวิชชาเนี่ยมาจากไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าที่สุดในเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏหาที่มาที่ไปไม่ได้อวิชชาเนี่ยแต่อวิชชาเนี่ยได้มีมาในภายหลัง และบัญญัติอาหารของอวิชาก็คือตัวนิวรณ์ห้านิวณ์ห้าจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงอวิชาให้มีอยู่ต่อไปแต่อวิชาจริงๆหาเบื้องต้นเบื้องปลายของมันไม่ได้แต่มันก็มีเหตุเกิดไม่ใช่ไม่มีก็คือตัวนิวรณ์ห้าแล้วที่ <c oughs> บิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดเนี่ยแต่พอมันเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมมันยังพ่วงตัวกรรมในอดีตมาได้ต่อครับอ <c oughs> าจารย์นะฮะทำไมยังเก็บสะสม กรรมดีกรรมชั่วที่เราเก็บมาในอดีตทําไมไม่สูญไปเลยครับที่แบบเกิดดับเกิดดับมีสองสองอย่างคือ <c oughs> คนที่สะสมของเก่ากรรมคือการกระทําความคุ้นเคยความเคยชินที่เรียกว่าอนุสัยเนี่ยเป็นตัวทําให้ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ที่เคยทํามาเนี่ยมันยังอยู่และอย่างที่สองก็คือผู้เจ้าบอกกายนี้คือกรรมเก่า <c oughs> พงศ์บอกกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าวคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นั้นก้อนกายเราเนี่ยหรือความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันคือระบบของกรรมเลยนั้นเราเนี่ยอยู่ในเราเนี่ยเป็นตัวกรรมเลยล่ะและเป็นระบบของมันเราก็จะหนีออกจากระบบของมันไม่ได้ ผู้เจ้าบอกกรรมเปรียบเหมือนผืน น, นาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าการที่เข้าไปตั้งอาศัยเนี่ยคือวิ ญ, ญญาณเข้าไปตั้งอาศัยเนี่ยจะตั้งอาศัยในสี่ธาตุนั้นตรงนี้มเมล็ดพืชเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนาซึ่งเป็นกรรมกรรมก็คือสี่ธาตุกรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นตัวเราอยู่ขนาดนี้นั่นคือเราเนี่ยอยู่ในระบบของมันเป็นตัวกรรมเลยล่ะนะจึงหนีออกจากมันไม่ได้นะ อีกนิดครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดเรามีสติปุ๊บอะไรที่มากระทบจิตถ้าเกิดดีไม่ดีเราก็ปัดไปให้มันว่างเฉยเฉยเนี่ยอก็ถือว่าค่อนข้างจะดีที่สุดแล้วชใช่ไ่มใช่ถูกต้องแล้วถ้าบุคคลที่เดินนั่งยืนนอนเนี่ยปกติจิตว่างเฉยเฉยนีย่ถือว่าอยู่ในจตุตฌานหรือเปล่าครับพระอาจารย์หรือไม่ใชไ่ไม่เกี่ยวอะไรเลยอ๋อไม่ก็เป็นอุเบกขานะ<ป>ซึ่งเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าอิงอามิตรบ้างไม่อิงอามิตรบ้างอย่างเนี้ย นั้นถ้าอุเบกขาปกติที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเราเฉยๆนี่เรียกว่าอุเบกขาที่ยังอิงอามิตรอิงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางของกายหรือเรียกอย่างว่าอุเบกขาอันเนื่องด้วยเย่าเลือนน ะ, ะยังหลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้าไม่อิงห้าตัวนี้แสดงเป็นจตุตจารใช่พหมอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรซึ่งอาจจะยังไม่ถึงจตุตจารเพราะอุเบกขาเนี่ยมีหลายระดับเช่นอุเบกขาสุขก็เป็นตติยฌาน ถ้าอุเบกขาที่ไม่เจอด้วยสุขก็เป็นจตุตฌานนั้นก็จะฟันธงไปอย่างนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้อุเบกขาก็เป็นคำที่กว้างมีหลายระดับครับเดี๋ยวกันคำครับปัญหาเบาๆบ้างก็ได้นะเดี๋ยวผู้มาใหม่ ท<ค>ำไม่ทันขออนุญาตครับตอนตอนลหลับจิตทํางานยังไงครับตอนเราหลับปล่าเหรอครับจิตก็ทํางานตามปกติอยู่ที่ว่าหลับแล้วฝันไหมนะ่ะถ้าหลับแล้วฝันเนี่ยจิตก็ไปตั้งอาศัยในขันอีกสี่ขันเหมือนเดิมนะการหลับของเราไม่ได้ทําให้การทํางานของจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปวิญญาณขันก็ยังคงทํางานเหมือนเดิม ก็ไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ความเป็นเรามันก็อยู่ในวิญญาณขันมันเลยรู้สึกว่าความฝันเนี่ยเป็นตัวเราของเราเต็มที่เลยฝันเหมือนจริงจังขึ้นมานจิตไม่เกาะร่างกายมาเกาะแปบ๊บนึงก็ไปเกาะนํามาทำอีกมันก็เหมือนกับเราไม่ไม่หลับแต่เราคิดเนี่ยแต่พอหลับเนี่ยก็คือร่างกายไม่ได้ทํางา น, นเต็มที่ จิตก็ไปเกาะแต่นมามธรรมก็เลยกลายเป็นฝันขึ้นมาขอบคุณครับพระอาจารย์ครับฮะต้องควรสอบถามประวัติพระอาจารย์นิดนึงครับพอ uh huh. ดีอ่า น, นว่าพระอาจารย์พระอาจารย์จะศึกษาธรรมะมาประมาณสิบสี่ปีก่อนที่จะบวช uh huh. แล้วก็คือพระอาจารย์เป็นทหารด้วยทีนี้ uh huh. ได้ยินว่าทหารเนี่ยเขาจะกินสุราค่อนข้างเก่งกันพระอาจารย์ใช้ชีวิตอยู่กับกับสิ่งพวกนี้ยังไงคือ uh huh. คือ เพื่อนพระอาจารย์รู้สึกพระทาารแตกจากเขาไหมหรือว่าออถ้าพูดถึงธรรมะธรรมโอต้องไปหาพระอาจารย์คือเอ๊ะโทษที<อ>หาอันนี้คืออยาอาจารย์เล่านี่แต่คำว่าตอนที่พระอาจารย์อยู่อย่างนู้นนี่พระอาจารย์ทําวางตั ว, วอะไรก็ได้ก็เรื่องเล่านี่ของอาตมาเนี่ยดูว่าจะเลิกช้าที่สุดนะก็ไอ้เลิกช้านี่ก็ไม่ได้แบบว่ากินมากมายแต่ การที่จะไม่กินเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเลิกได้ยากนะเกรงใจรุ่นน้องนะเลิกเกรงใจรุ่นน้องได้ก็เหลือเพื่อนแหมเดี๋ยวเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่มีอ่ะพอเลิกเกรงใจเพื่อนได้เอาเกรงใจรุ่นพี่นะเอาพี่ก็ขยันขยอพอเลิกเกรงใจรุ่นพี่ได้เกรงใจเจ้านายอีกแล้วแหมมันติดหลายขั้นนะห้าหกปีเนี่ยกว่าจะเลิกค่อยๆเลิกค่อยๆเลิกมานะก็ เวลาเลิกแล้วก็ก็เป็นที่รู้กันเขาก็ไม่มาบังคับอะไรเรานะอะลูกน้องเราเวลาไปงานไหนเขาก็เสิร์ฟโค้กเสิร์ฟน้ําเปล่าให้เรานะหลังรถเพื่อนเรามีหลังเหล้าหลังรถเรามีหลังน้ําเปล่านะอะันก็คนละแบบกันอย่างนี้นะเราก็มองว่าเราออกกําลังกายแทบตายแล้วมันนั่งทําลายร่างกายด้วยสุรามันก็เสียประโยชน์อนะ ที่จะไปออกกำลังกายนะแล้วก็ก็เ <c> ห <oughs> ็นโทษของมันเราก็ค่อยๆเลิกมานะอย่างในปีแรกๆที่พึ่งไปเจอหลวงพ่อชาพึ่งได้ปฏิบัติอย่างเนี้ยเราก็ยังกินไปกับเพื่อนกับฝูงอยู่อย่างเนี้ยแต่ก็จะเริ่มเห็นโทษ่ยเวลาจัดเลี้ยงงาน สิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เมากันทั้งกองร้อยและอ้วกก็เต็มนะกองร้อยไปหมดนะแล้วก็ต้องมาล้างขัดแล้วมันก็เหม็นนะ่ะนะเหม็นเปรี้ยวอ้วกอะ น, นะอืมมันก็เห็นความทุกข์กันขึ้นมาเรื่อยๆล่ะนะก็มีหลายๆคนที่พยายามก็จะเลิกกันนะอื๋อแต่คือพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไปวางตัวแบบว่า ฉันธรรมะธโมโฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะเอ่อก็ค่อยๆ ค, ค่อยเป็นค่อยไปนะอ่ายัางเกิดวันนี้รักษาสินแปดเอ๊ะนายชวนไปกินข้าวเย็นกินก็กินวะเลิกสินแปดมันอย่างเงี้ยรักษาไม่ได้ครึ่งวันนะไอคอนวันก็ไปกินแต่พอไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนหรือกับเจ้านายเราก็บางทีเราสังเกตในวงอาหารเอ๊ะไม่เห็นเขาสังเกตอะไรแล้วว่าเรากินอะไรบ้าง ไอ้อย่างนี้เรารักษาสินแต่ต่อก็ดีนะอย่างเงี้ยใช่ไหมต่อไปเราก็เริ่มมีปัญญามากขึ้นเราก็จะไม่จะไม่ไมตัดสินทิ้งทิ้งจนกว่าวินาทีสุดท้ายที่มันจะไม่ไหวนะเราก็จะยื้อสินตปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเขาจะบอกเฮ้ยไม่ไม่กินสักทีอเอาวากินก็กิน <laughs> อย่างเงี้ยนะคือคือก็ผมจะอยู่ในทํา ง, งานเหมือนคล้ายๆพราาะอาจารย์แต่ว่าจะมีจะเป็นเหมือนกับว่า ใครที่ทําให้เรากินได้เนี่ยเขาจะรู้สึกแบบคือพระอาจารย์เป็นรถวก่เหมือนกับว่าพอสมมุติเรากินปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบนี่ไงธรรมะทางงงไงกินเหล้าอ่าทีนี้เราจะเริ่มใจเสียละเราทําผิดแล้วเราจะเป็นงงก็ไม่เป็นไรมันต้องมันต้องเอค่อยๆอดทนไปจนกว่าเขาจะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยไปบังคับให้มันกินเหล้าแล้วมันมีความทุกข์ว่ะไปบังคับมันเลยนะสงสารมันให้เขามีเมตตากับเราอ่ะใช่ไหม แรกๆเขาก็จะอย่างเงี้ยแยเราไปแยเราเราก็พลาดบ้างแพ้บ้างชนะบ้างไปโอภาปาสายกันไปยืดไปหยุ่นไปอย่างเงี้ยแต่พอนานวันนานวันเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเอ้ยมันไม่กินเหล้าอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมันก็เตือนเพื่อนกันเองเฮ้ยอย่าไปขยันขยอมันเลยอะไรอย่างเงี้ยแอะเราก็ได้พวกละได้มีคนเตือนให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะมามีเพื่อนอีกคนเนี่ยโชคดีไปอย่างคือกินเหล้าไม่ได้ผืนขึ้นทั้งตัวเลย พอกินปุ๊บเนี่ยเพื่อนโอ้โหผื่นขึ้นน่ากลัวมากกลัวมันจะตายไอ้นี่ก็เลยไม่ต้องกินเหล่าไปโดยอัตโนมัติใช่มอ่าอย่างนี้แล้วอย่างถ้าแบบอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่พยายาม <c oughs> สร้างความแปลกแยกให้เกิดขึ้นมากอย่างเช่นว่าวันไหนเรารักษาโว้วสดเราไม่ทานข้าวเย็นเนี่ยแต่เราก็เดินแถวไปกับเพื่อนนะเราก็ไม่ทำให้ระเบียบเขาต้องเสียไป ใช่ไหมอืมแล้วก็เดินแถวไปกินกับเพื่อนเข้าระเบียบอะไรทุกอย่างแต่พ อ, อะจะเอาเข้าวเข้าปากเนี่ยเราเราไม่ทำใช่ไหมอ่าซึ่งเราก็จัดระเบียบทุกอย่างเหมือนกับข้าหมดเพื่อนก็ชอบอะ่ะเพราะเราไม่กินมันก็ได้โค้ต้าเราเพิ่ม <c oughs> อ่ะมันก็มากขึ้น <c oughs> แล้วอย่างการจัดระเบียบการจัดระเบียบเตียงเนี่ย <c oughs> พอเราไม่นอนฟู้ เราก็ต้องเอาเตียงมาซุกใต้เตียงมันเป็นเตียงสองชั้นใช่ไหมเตียงไม้สองชั้นเตียงเหล็กมีไม้แล้วมันก็มีฟูกอีกทีเราก็ต้องเอาฟูกเนี่ยมาสอดใต้เตียงเราก็นอนกับพื้นกระดานนะแต่พอตื่นมาปั๊บเราก็ต้องตื่นก่อนเพื่อนนิดนึงเพื่อมาจัดระเบียบเตียงนะไม่ใช่เรามาอ้างว่าเอ้อลักษาะศีลไม่ต้องจัดระเบียบเตียงไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าเพราะนั้นเราก็ไม่ทําระเบียบของหมู่คณะเสียหายนะทุกอย่างเราก็ทําเป๊ะตามเ้าหมดอย่างเงี้ยอืม ก็ก็ต้องใช้ปัญญาพยายามให้ให้กลมกลืนไปกับหมู่คณะได้แล้วก็ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไปอวดไปแสดงอะไรอย่างนี้ก็ทำตัวกลมกลืนไปอืานอาจารย์ครับขอความเมตตาประสบการณ์พระอาจารย์สักสองเรื่องแป้วครับอาจารย์นะอย่างตะกี้ที่ พี่ก็ถามว่าพระอาจารย์เล right? s <S oh so ิกเล่าไงใช่ไหมครับผมอยากเล่าล่ามลงนี้นึงครับแล้วพระอาจารย์เล well> ิกการไงครับก่อนจะมาบวชนะครับอก็พยายามเห็นโทษของมันน่ะนะเวลาเราไปเที่ยวยมลองเที่ยวอย่างมีสติไปเที่ยวแล้วยมรู้ลมหายใจไปด้วยนะมันจะเริ่มไม่สนุกแล้วก <|ja|> ็ไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์กับเพื่อนไปกับนายไปอะไรต่อะไรอย่างเนี้ย แต่เราไปพอโยมรู้ลมหายใจขณะที่อยู่ในสถานที่แบบนั้นนะ่ะมันคนละแบบกันเลยนะมันรู้สึกอืมมันยังไงก็ไม่รู้แล้วการที่เราจะจืดลงไปนะไอ้ไอ้ที่เราไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยพรอเราสนุกไปกับมันเนี่ยใช่ไหมแต่พอเราไม่สนุกเองเนี่ยเราก็ชักไม่อยากไปแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรนอนอยู่บ้านสบายๆหาอะไรกินอิ่มอร่อยอร่อยดีกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมแล้วนี้ สิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นเมื่อศีลเราดีเนี่ยอย่างโยมไม่กินเหล้าคิดว่าจะไม่มีเพื่อนมีนะนายก็ชวนไปทุกครั้งเพราะว่าเอ่ยเมื่อทุกคนเมาแล้วเดี๋ยวให้มันขับรถกลับบ้านเราก็เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะนะขับรถพาหมู่คณะกลับบ้านใช่ไหมเพราะทุกคนเมากันหมดมเป็นประโยชน์เยอะนะอีกข้อนึงครับอาจารย์ <c oughs> แล้วอย่างเวลาอาจารย์เนี่ย เข้าจตุปา伽เนี่ยพระอาจารย์มีขั้นตอนอยังไงครับเวลาที่พระอาจารย์เข้าฮะยังก็ทําตามที่พระเจ้าบอกนะมันก็ทําได้นะแต่ทีนี้แต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะั่งสมาธิมาสิบหกปีก็เข้าไม่ได้ก็มีนะแล้วอย่างเวลาพระอาจารย์เข้าพระอาจารย์ทําไงครับผมก็เหมือนกับที่พระเจ้าบอกเอาไว้นะไม่มีอะไร แค่ผู้เจ้าสั่งว่าอย่าลืมลมยมอย่าลืมลมอย่างเดียวนะมันชอบลืมลมแค่นั้นนะ<ต>่ะแต่ถ้าอ่าถ้าโยมอยู่กับลมได้ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยสมาธิมันก็เข้าไปตามลําดับของมันเองนะ <c oughs> แค่อย่าลืมลมหายใจจริงท่านสั่งสั้นๆ ง, ง, ง่ายๆแค่เนี้ยนะอ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องขาดจากลมหายใจไม่ใช่ไม่ใช่ครับอาจารย์พอถึงจุดจุดหนึ่งมันจะต้องลืมอยู่เดียครับอาจารย์อ่า หรือเราดูไปจนให้มันถึงที่สุดเลยครับมันจะเป็นไปเองเวลาเวลาสมาธิมันเข้าละเอียดขึ้นเนี่ยลมหายใจมันก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาจนแทบจะจับไม่ได้แต่โยมก็รู้ว่ายังมีความรู้อยู่แต่ลมก็เหมือนเอ๊ะมีหรือมันไม่มีวะเนี่ยใช่ไหมแต่โยมก็ยังมีความรู้เห็นนะเพราะฉะนั้นมันจะไปกังวลเรื่องลมไหมเพราะลมมันค่อยๆหายไปทีละเล็กทีน้อยทีเล็กทีน้อยอยู่แล้วไงมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันหายไปเลย พระอาจารย์คะถ้าเกิดเรามีเวทนาค่ะป่วยแบบมีเวทนามากแบบหมุนแล้วเราจะกาหนดจิตยังไงซึ่งเราอาจจะไม่รู้อาจจะเสียชีวิตตอนนั้นก็ได้ค่ะอ๋อก็ถ้ารู้ลมได้ก็รู้แต่ถ้ารู้ลมไม่ไหวก็พยายามแค่มีความรู้ตัว ตอนนี้รู้ตัวอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าเอขณะเวลานั้นน่ะหนูเคยแบบมันไม่รู้ลมหายใจแล้วค่ะมันเวทนามากๆมากให้รู้ตัวอย่างเดียวรู้ตัวอย่างเดียวค่ะแค่นั้นแหละรู้ว่ามันเจ็บมันเป็นอะไรก็รู้แล้วก็รู้ว่าทุกอย่างที่รู้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันแปลกให้พิจารณาตอนนั้นเลยใช่ไหมคะใช่เราอาจจะรอดได้ในเวลานั้นใช่การบรรลุทาได้ในตอนนั้นนะไอ้รอดจากความตายอาจจะไม่รอด นะแต่ <laughs> แต่จะบรรลุทําได้อาจอมีสิทธิ์ใช่ไหมค ะ, ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ไม่ถึงกับบรรลุธรรมแต่ตอนนั้นเรารู้รู้แค่ว่ามันเจ็บมันเจ็บมากถ้ามันถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันจ ะ, ม, นจะมันจะบรรลุธรรมได้ค่ะ แบบนามสการค่ะคือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมค่ะการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมีต้องสี่สิบกรรมฐานทีนี้โยมอยากจะเดือนนะเอาตั้งแต่แรกก่อนสี่สิบกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่พุทธปจนะไม่ใช่ใช่ไหมอ่าค่ะทีนี้เนี่ยในการที่เราจะเข้ามาปฏิบัติธรรมคือเราเคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นยุบเนอะพองเนาะหรือว่าพุทโธหรือว่าอนัปานสติอทีนี้หรือเรื่องการเคลื่อนไหวเจริญสติ อ uh huh. ทีนี้โยมกําลังออยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่ามันต้องตายตัวไหมคะ <c oughs> ในการปฏิบัติว่าเราจะต้องฝึกกรรมฐานแบบเนี้ยก็ต้องแบบนี้อ uh huh. หรือว่าขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ดูจิตว่าตอนนั้นเราสมมติคนที่มีราคะจริตเนี้ยก็เจริญอสุภะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออ่าจะดูลมหายใจยคือทุกอย่างที่ปฏิบัติเนี่ยเราจะต้อง fix ตายตัวไหมคะว่าต้องปฏิบัติแบบนี้ต้อง ผู้เจ้าจะบอกอย่างนี้ว่ามหาชนเนี่ยจะปฏิบัติและเดินตามที่ผู้เจ้าสรรเสริญเอาไว้นั้นเราเนี่ยไม่รู้จริตของเราเองหรอกและเราก็ไม่รู้จริตของคนอื่นญาณในการรู้ความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้านั้นแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรบุปกรรมเราเป็นอะไรมาอย่างไงและจะเลือกวิธีใดให้เลือกวิธีที่ผู้เจ้าสรรเสริญเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จิตของมนุษย์ทั้งโลกและบัญญัติ ไว้แล้วว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยคิดไม่เกิน62แบบแบบที่หนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงบรรยายไว้ให้หมดนะและผู้เจ้าเนี่ยวางมรรควิธีไว้เพื่อแก้ปัญหาคนทั้งโลกการบรรยายทำครั้งหนึ่งของผู้เจ้าไม่ได้มุ่งเฉพาะคนคนนั้นคนเดียวแต่มุ่งเพื่อมหาชนทั้งหมดนะนั้นมรรควิธีที่ผู้เจ้าสันเสริญเอาไว้เนี่ยปฏิบัติได้เลย เราจึงรวมหนังสือมรรควิธีที่ง่ายเอาไว้ที่ผู้เจ้าตรัไว้เช่น <c oughs> การพิจารณาผัสสะการแยกองค์ประกอบของผัสสะการเห็นว่าผัสสะนี้ไม่ใช่เรานี่เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามาผลนิพพา น, นอานาปานสติเป็นมรรควิธีที่ผู้เจ้าสรรเสริญได้มากบอกนิสงไว้มากตัวพระองค์เองก็ใช้และยังให้ชื่ออาปาว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคต นะให้เครดิตสูงนะเรียกว่าอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลอย่างนี้มักวิธีกายคตาสตินะซึ่งมีลมหายใจการรู้ตามการเคลื่อนไหวริยบทจิตอุฐานการงานการเข้าชัน 1,2,3,4 ล้วนเป็นกายคตาสติทั้งหมดนี่ก็เป็นวิธีที่พระเจ้าสัรเสริญไม่มากอีกเช่นกันนะสักแต่ว่ารู้รู้มาปั๊บวาง จะได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามให้สักแต่บรรลุนะและสารวมอินทรีย์ไว้นี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่บรรลุได้เร็วนะ <c oughs> การละนันทิก็เป็นมรรควิธีที่พระเจ้าสอนบ่อยมากเพราะองค์สอนอะไรบ่อยมากนั่นแสดงว่าพระองค์เน้นยำ้ำนะเพราะถ้าไม่มีความสำคัญจะไม่พูดเยอะถ้ามีความสำคัญจะพูดเรื่องนั้นมากอันนี้จางทุขังนัตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ผู้เจ้าบอกถ้าใครมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพล่องในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาอยู่เป็นประจำยังได้อย่างหนึ่งก็ได้ผลที่เขาหวังได้คือพระอาหารหันต์ในปัจจุบันนี่สติตัวเดียวก็ได้ละนั้นที่ตัวเดียวก็ได้อนาปาร์ตัวเดียวก็ได้เนี่ยนั้นโยมรวมมรรควิธีพวกนี้มาก่อนอาตมาก็รวมไว้ให้แล้วนะอจิตตรงนี้ไปทําเลยความหลากหลายเนี่ยต้องหลากหลายภายใต้คําของพระาศาสดานะ อย่าไปหลากหลายนอกกรอบพอคนคิดว่าเออผู้เจ้าเนี่ยพูดธรรมะไว้หลากหลายก็เลยคิดว่าคำของใครที่พูดมรรควิธีคือถูกหมดไม่ใช่นะใครพูดมรรควิธีต้องมาตรวจก่อนว่าอยู่ในกรอบที่ผู้เจ้าบัญญัติหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็คือไม่ใช่จะเป็นมิจฉาปฏิบปทาเพราะฉนั้นสัมมามรรคมีมิจฉามรรคมีมสัมมาปฏิปทามีมิจฉาปฏิปทามีความหลากหลายต้องหลากหลายภายใต้กรอบที่ผู้เจ้าบัญญัติเท่านั้น ขอทกขพระคุณเจ้าค่ะนะฮะกดกดแช่นิดหนึ่งให้ไฟมันเขียวขึ้นอนวกิการครับเออขอกลับไปที่เรื่องการเวลานั่งสมาธินะครับฮาาพลุ่หายใจมันร่มรู้สึกว่ามันเบาลงเบาลงเบาจนเราเทาจะไม่รู้เรื่องแบ ต่อคับอาจาครับทำยังไงต่ อ, อพระตะถาคตบอกว่าให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าต่อไปนะสมาธิขั้นใดก็ตามนะได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ทําต่อไปคือตามเห็นการเกิดดับขันธ์ทั้งห้าหรือขันธ์ทั้งสี่ต่อไปถึงจะหลุดพ้นได้นะก็คือรเมื่อเราก็ยังคงรง้ลมอยู่แม้จะรู้เท่าไหรก็ตามถูกไหมครับถูกต้องแค่นั้นเอง ไม่ต้องทําอะไรมันไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านั้นจิตตั้งมั่นอยู่กับลมอันเดียวคือลมหายใจแล้วคอยเห็นเกิดดับนะคอยรักความเผลินเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับจิตรับรู้ลมปั๊บรีบลักความเผินเอากลับมาก็จะเห็นการเกิดดับของรูปนามทันทีครับจิตก็จะทํางานไปตามขั้นตอนของมันเองโดยอัตโนมั้ยใช่ใชครับทีนี้ถ้าในชีวิตประจําวันครับอย่างเวลาเดินเนี่ยเราอาจจะดูกาย เคลื่อนไหวอ uh huh. ได้ใช่ไหมครับได้เวลาที่เราไม่เดินเราอาจจะมาดูที่ลมหายใจใช่ก็ได้ใช่ไหมครับใช่คสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่าง น, นี้ได้ได้เวลาที่เรามีผัสาะเข้ามากระทบต่างหูตาจมูกลิ้น uh huh. กลายใดก็ตามเราแค่กำหนดรู้ถูกไหมครับใช่ถูกต้องครับแล้วก็ยังสลับสับเปลี่ยนไปได้ด้วยกลับมาที่ดูลมหายใจอยู่เหมือนเดิมใช่ครับเกือบขอบพระคุณครับ อมีเพิ่มเติมไหมเชิญเชิญเชิเปิดทิ้งไว้เลยก็ได้นะไม่ต้องปิดก็ได้ขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าในพระไตรปิฎกหรือในพุทธวจนะมีคําว่าธรรมกายมีคํ า, รราคว่าศูนย์กลางกลายฐานที่เจ็ดหรือเปหรือเปล่าเจ้าคะ่ะ อ, อต้องถามว่าในพุทธวจนะนะถามว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้เพราะพระไตรปิฎกมีทั้งอัตถกถ า, าคือคําที่แต่งขึ้นใหม่แล้วก็พุทธวจนะ ต้องถามว่าพุทธวจนะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะต้องชี้ลงไปที่พุทธวจนะมีคํานี้ไหมคําว่าศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดลเนี่ยไม่มีนะมีคําว่าธรรมกายเนี่ยมีธรรมกายมีเยอะหลายหลายพระสูตรแต่เป็นอัตถกถาพระสูตรเดียวที่เป็นชื่อธรรมกายตัดไปกับวาเสตกับพารัตวาชะนะซึ่งแปลว่าหนึ่งในชื่อของพระพุทธเจ้า ธรรมกายพรมกายธรรมพูดพรมพูดนี้เป็นชื่อแทนตถาคตไม่ได้เป็นชื่อมรควิธีนั้นถ้าบอกว่ามรควิธีธรรมกายไม่มีแต่ถ้าบอกเป็นชื่อแทนตถาคตมีหนึ่งพระสูตรแค่นั้นนอกนั้นยมไม่สามารถหาพระสูตรเกี่ยวกับคําว่าธรรมกายที่เป็นพุทธวจนะได้เลยนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายไม่มีนะกับเรียนถามว่าแล้วการที่เราเอาจิตของเราไปตั้งที่ศูนย์กลางกางหรือตั้งที่เออ กลางกลางลิ้นปีมันจะแตกต่างกันอย่างไรหรือเปล่าเจ้าค่ะในในผลสุดท้ายนะเจ้าค่ะก็เป็นความเห็นของคนที่แต่งขึ้นใหม่ไม่ใช่ความเห็นของพระศาสดานั้นก็ต้องแยกไปว่าความเห็นของอาจารย์กออาจารย์ขอที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งคำที่แต่งขึ้นใหม่พระศาสดาบอกว่า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 เพราะนั้นเรามาถามในคำที่คนแต่งขึ้นใหม่ไม่รู้จะไปตอบยังไงเพราะมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงเราจะตอบแต่คำพระผู้มีพระภาคเจ้านะนั้นนะวันนี้เนี่ยยมสามารถตรวจได้วินาทีเดียวนะเราใส่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงไปในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว <c oughs> ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะคือข้อมูลจากบาลีสามรัดไม่มีหนังสือนะถ้ามีหนังสือพอดีมีหนังสือจตมาได้มา เป็นฉบับที่พิมพ์ตั้งแต่ปี 2.468 นะเก่าเก่าที่สุดนะแต่เป็นการพิมพ์ครั้งที่2แต่เรากำลังได้การพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่2436มมาด้วยเหมือนกันนะตั้งแต่รัชกาลที่5นะนั้นข้อมูลพวกนี้เกิดมาก่อนอาจารย์ยุคนี้เกือบทั้งหมดนะแล้วเราใส่ข้อมูลเหล่านี้ลงในใ น, ในพวกอุปกรณ์พวกนี้ไอโฟนไอพอตไอแพ แล้วก็มือถือของทุกคนนะนั้นถ้าใครใช้มือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Android นะก็สามารถเข้าไปใน Android Market แล้วก็ติดตั้งในเครื่องได้นะใช้ Wi-Fi ที่นี่ก็ได้นะไม่ถึงนาทีก็เสร็จนะโหลดเข้ามาในเครื่องหรือใครใช้ iPhone, iPod, iPad นี่ก็ขี ค, คาว่าพุทธวจนะหรือ e- ติปิกะเข้าไปก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน e- ติปิกะเข้ามาได้ซึ่งจะบรรจุ ข, ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกตั้งแต่ สาหินโศกน ะ, ะเป็นทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยพร้อมโปรแกรมในการสแกนตรวจคน้นนะวันนั้นนะวันนี้เนี่ยไม่มีใครโกหกโยมได้โยมมีข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลก 2,500 กว่าปีอยู่ในมือครบหมดทุกคนพร้อมโปรแกรมในการสแกนนะเราทําให้หมดแล้วน ะ, ะนั้นตรวจได้ทุกเรื่องโยมไม่ต้องพึ่งอาตมาด้วยซ้ําพึ่งความสามารถตัวเองสืบค้นเลยเองนะ นั้นอย่างโยมคีคำว่าธรรมกายเข้าไปโยมก็สามารถตรวจหาได้ด้วยตนเองนะง่ายๆาย <c oughs> <c oughs> อยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โยมก็คีคำว่าตอบแทนเว้นวรกแล้วก็บิดาเว้นวรกแล้วก็มารดาเข้าไปกดค้นหาพระสูตรก็จะขึ้นมานะนะถ้ามีสามคำนี้โปรแกรมจะหาให้ทั้งหมดนะ เวลาโยมใส่คำเนี่ยคีย์เวิร์ดเข้าไปถ้าต้องการหาหลายคำให้เว้นวรรคก่อนนะมันจะหาทีละคำทั้งหมดนะถ้าไปไปพิมพ์ต่อกันมันจะหาว่าคำที่ติดกันคำเดียวเนี่ยมีไหมซึ่งอาจจะไม่เจอนะ <c oughs> หรือโยมต้องการอยากสวยอยากรวยอยากสูงสัดโยมก็พิมพ์คาว่ารูปงามนะเราก็ซับแล้วก็สูงสัดนะกจะ็จะไปเจอพระสูตรที่จัดไว้กับพระนางมริกา นะว่าถ้าเธอนะเป็นผู้ไม่ขึงโกรธนะไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่แสดงความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาชนะระเบียบของหอมเครื่องลูกลยประทีปโคมไฟแก่สมณพราหมณ์นะไม่เป็นผู้เกียดกันตัดรอนนะดูหมิน่นดูถูกนะการลุกลับกลับว่าให้อาสนะนะแก่บุคคลที่ทาต่อสมณพราหมณ์เนี่ย ก็จะได้ความสูงสักการจำแนกแจกทานจะได้มาซึ่งพกทัพนะแล้วการที่ไม่เป็นคนขี้โกรธเนี่ยจะได้มาซึ่งความมีรูปงามผิวพรรณงามนะโยมหาได้ทุกเรื่องในนี้นะ <laughs> ง่ายพรอาจารย์ต้องไปกี่โมงคะวันนี้ก็กใบสองนะโยม <c oughs> กลับในวัม ส, สมกรพระอาจารย์ <จน S 1> ค่ะวันนี้โยมพามันดาวมาได้แล้วนางอยู่ข้างหลังเนื้อค่ะดีใจมากเลยอยากให้พระอาจารย์บอกมันดาวว่าตอนเนี้ยมันดาวมาเนี่ยยังไม่สายใช่ไหมคะไม่สายยังไม่สายมันดาวยังเรียนธรรมมาได้ใช่ไหมคะได้แค่มีความรู้สึกถึงลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกหลุดพ้นได้มันดาวบอกว่าไม่ชอบให้ใครมาไม่ชอบให้ใครมาสอนนันดาวอย่างนี้ อ๋อไม่เป็นไรไม่ยอมพระผู้เจ้าสักองค์เหรอยิ้มเลยค่ะอาจารย์เพราะอย่างอย่างอาตมาสอนโ ย, ยมไม่ใช่คําสอนอาตมาไงเพราะอาตมาเนี่ยทรงจําคําพระาศาสดาถ้ากับโยมเนี่ยได้ฟังต่อหน้าพระาศาสดาโดยตรงใช่ไหมเราจะก็ปีคําศาสดาพูดออกไปนะถ้าโยมยอมผู้เจ้าองเดียวเนี่ยใช้ได้แล้วกลุธ้ทำได้ เขาอกาศครัพระอาจารย์พอดีมีพระสูตรหนึ่งที่บอกว่าทําก้าวอย่างที่แทงตลอดได้ได้ยากเป็นฉะไหนก็จะมีขึ้นว่าความต่างแห่งพัสสาย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งพัสสะความต่างแห่งสัญญาย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาความต่างแห่งความดําริย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งสัญญา ความต่างแห่งความพอใจย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งความดําริความต่างแห่งความเร่าร้อนย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งความพอใจความต่างแห่งความแสวงหาย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งความเร่าร้อนความต่างแห่งความได้มาย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งความแสวงหาทีนี้มีคนมาถามว่างั้นความต่างแห่งภาษาย่อมเกิดเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุแล้วความต่างแห่งธาตุย่อมเกิดเพราะอาศัยอะไรคะพระอาจารย์ก็มันตั้งอยู่แล้ว มันก็ต้องย้อนไปเพราะว่าพอบอกว่าความแต่งทา่าดเกิดเพราะอะไรมันก็จะเริ่มไปสาวหาที่เกิดของธรรมาธาตุทั้งปวงละค่ะนะมันก็ต้องกลับไปหาที่ผู้เจ้าบอกว่าเพราะผู้เจ้าจะไม่ตอบเรื่องเรื่องพวกนี้เรื่องตรงนี้ผู้เจ้าจะตัดบทเลยเพราะไปสาวหาไม่ไม่เจอนะผู้เจ้าก็จะบอกว่าธรรมาธาตนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะมีภิกษุสี่รูปนั่งดูอดีตได้วานละแสนกับนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีจนตายสังสา ร, รัตก็ยังมีให้ดูตลอดกับหนึ่งไม่ใช่ น, น้อยน้อยนะโยมกับหนึ่งเนี่ยยังหาประมาณใส่เลขศูนย์ยังไม่ได้เลยพระเจ้าต้องใช้อุปมาว่าภูเขาหินแท่งทึบยาว16ศอกกว้าง16ศอกสูง16 สูง16กกิโลไม่ใช่16ศอกกว้างยาวสูงอย่างละหนึ่งยดโยดละ16กกิโลร้อปีมีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งจนภูเขาหินเนี่ยสึกไปลาบเลียบไปทําอย่างเนี้ยไปทุกร้อยปีจนภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยสึกลาบเลียบไปทั้งหมดเนี่ยนี่ยังไม่ถึงกลับเลยนะแต่ผู้เจ้าบอกเธอไม่ได้เกิดมาเพียงแค่กลับเดียว 100, 000, ร้อยกลับพันกลับห0 0่นกลับหรื0 0 0นกลับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนะ <c oughs> แล้วภิกษุรูปเนี่ย นั่งดูอดีตได้วันละแสนกับต่อวันเนะ่ะโอ้ไม่น้อยนะอืมนั่งดูไปตลอดทั้งหนึ่งร้อยปีจนตายสังสารรัตก็ยังมีให้ดูนะภิกษุอีกรูปหนึ่งมาดูต่อจากภิกษุรูปที่หนึ่งต่อไปอีกวันละแสนกับตลอดทั้งร้อยปีตายไปสองคนแล้วสังสารรัตก็ยังมีให้ดูรูปที่สามรูปที่สี่นะก็ทําอย่างนี้ไปจนสี่รูปสังสารรัตก็ยังมีให้ดูผู้เจ้าหยุดพยากรแค่สี่รูปนะ ก็บอกว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สัง่งสังสารวัตรบอกอย่าไปมัวสาวหาเลยว่าต้นกําเนิดมันเป็นยังไงเราก็ทราบแค่ว่าธรรมธาตุนั้นน่ยย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเถียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดานะอ่านั้นมันก็มีความต่างกันของธาตุเมื่อมีความต่างกันของธาตุก็จะเกิดความต่างกันของสัญญาของภาษาของเวทนาไล่มานะอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นธาต พระพองค์พูดเกี่ยวกับธาตุสงังกัไว้ว่ามีอะไรบ้างคะพระอาจารย์พูดเกี่ยวเรื่องธาตุใช่ไหมก็จะพูดเรื่องถ้าพูดกลุม้มก็คือธาตุนานัตตะธาตุมีประมาณต่างๆและแบ่งเรื่องของธาตุก็คือทั้งหมดก็แค่ขันห่านะลูกก็เป็นส่วนดินน้ําไฟลมนะเวทนาก็สุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจําได้หมายรู้สัญญาเนี่ยบอกมีประมาณมากนะสังขารพระองค์ก็บอกมีประมาณมากนะ นะแล้ววิญญาณนะความรู้แจ้งแค่นี้ตัดไว้กว้างกว่าเยอะพอดีในลงโยมลงใน f a c e b o o โยมก็ถามเขาว่าแล้วเขาคิดว่ามีไอเดียว่ายังไงเกี่ยวกับพระสูตรตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเออในธาตุธาตุเนี่ยเขาคิดว่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นเขาก็แคบกว่านิดนึงถูกเหมือนกันเหมือนกันทาอันเดียวกันพูดกันคนละมุมการพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจคือลงรายละเอียดในเรื่องรูปธาตุ และรวมนามธาตมเป็นหนึ่งะพูดห้าช่องทางของกายและนามธรรมสี่อย่างรวมเป็นหนึ่งคือใจตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เวลาพูดขันห้าพูดห้าอายณนะเหลืออันเดียวคือลูกและแตกนามธรรมออกเป็นสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แตกการแตกรูปธรรมะเนี่ยเพื่อความเข้าใจของแต่ละคนบางคนทําความเข้าใจได้ดีในเรื่องรูปบางคนทําความเข้าใจได้ดีในเรื่องนามธรรม <c oughs> แล้วมีอีกพระสูตรคร่ะพระอาจารย์พอดีโยมไปอ่านเจอรู้สึกจะชื่อยักษ์ไหวเหมาวสเหมาวายักษ์หรือเปล่ายักษ์ <c oughs> ย, กยักษ์ตนนี้มาถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุชไหนโลกจึงเกิดแล้วในนั้นก็เขียนว่าอพรอะพุทธเจ้าตรัสว่าโลกเกิดเพราะอายตนะภายนอกหกอายตนะภายในหก ตรงนี้ไม่ทราบอยากจะขอพระอาจารย์ขยาย uh huh. ขยายความค่ะก็คือผัสสะนั่นเองอ่ะนั้นโลกคือกองทุกเนี่ยหรือความมืดความบอดเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจในผัสสะนั่นเองพงศ์จึงเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นผัสสะเปเลโตผู้มีผัสสะบังหน้าไม่เข้าใจในผัสสะนั้นจุดกําเนิดของทุกทั้งหลายเนี่ยนื่องมาจากผัสสะพงศ์จึงบอกว่า ผู้ใดกล่าวอย่างนี้เนี่ยชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตูวเราได้คําไม่จริงว่าทุกทั้งหลายเนี่ยเกิดจากผัสะมีเพราะผัสสะเป็นเหตุนะคือโยมก็คิดว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมแล้วโยมก็เดาว่าคําว่าโลกในที่นี้น่าจะเป็นเรื่องของกรรมเช่นเดียวกันมันก็เลยงงว่าทําไม ไม่ทเดิมเนี่ยเข้าใจว่าผัสสะน่าจะเป็นเหตุเกิดของกรรมทำไมตรงนี้ถึงจะบอกว่าเป็นอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอย่างี้ก็อันเดียวกั น, นเลยอันเดียวกัน <c oughs> เลย <c oughs> ข, อขอบคุณค่ะอ๋ออีกคำถามครับอาจารย์เมื <c oughs> ออ่อวานเพื่อนโยมมาเล่าว่าคือเพื่อนโยมทำระเบมาก่อสร้างแล้า <c oughs> บอกว่าพอย้ายมาไซนี้เ อ, อคนงานอ่ะเจอผีหลอกโยมก็เลยบอกว่าก็ แล้วเขาแก้ปัญหายังไงเขาบอกว่าให้คนทรงมาดูคนทรงบอกว่าจะมีผีอยู่ตัวหนึ่งแล้วเขาก็จะคุมผีที่เหลือทั้งหมดเขาก็บอกว่าจะต้องเส้นไหว้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะเอาโชคเอาลาบมาให้อือจะทําให้เขารวยโยมก็เลยบอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะบันดาลอะไรให้ใครรวยไม่รวยหรือว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเร็วลงแบบไหนให้เขาพาลูกน้องนั่งสมาธิและอุทิศส่วนกุศลให้ก็ออพอแล้วก็ถ้าอยากจะเส้นไหว้เพื่อความสบายใจก็ ก็ไม่เป so ็นไรก็ก <Big enough> ็ทําก็ไ <es> ด <voir nie co> ้ออืก็ไม่ทับพระอาจารย์มีเสริมไหมคะก็ดีแล้วขอบคุณค่ะก็คือเราก็ไม่ได้ไปห้ามเขาเพราะว่านั่นคือเอื้อเฟื้อต่อผู้มีสมาริที่เบื้องต้นนะเพราะคนมีสมารถที่เบื้องต้นเนี่ยก็เป็นจิตที่แสวงหาที่พึ่งไม่ใช่คนไม่ดีนะเพียงแต่เขายังหาที่พึ่งที่ถูกต้องไม่ได้ แต่เป็นคนดีเบื้องต้นที่จะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีไม่ไม่ใช่คนไม่ดีนะก็สงกล้าให้เขาทำไปตามความเห็นเขาก่อนค่อยๆให้ความรู้ไปเขาเจก็จะกระเถิบมาเป็นสมาทิฏฐีเบื้องปลายได้เองนะอเช่นอ่าฮะอืม อยากจะสอบถามเกี่ยวกับที่พระอาจารย์ว่าหลุดพ้นจากความตายอะครับอฮ uh huh. ซึ่งหลุดพ้นอย่างไรแล้ว uh huh. ก็คนเราทุกคนหนีความตายได้ด้วยหรอครับได้แสดงว่ายัางไม่เคยฟังธรรมะพระศาสดานะพระศาสด า, า, าเกิดมาเพื่อเรื่องนี้โดยตรงว่าทํำยังไงจะไม่ต้องตายนะเป็นศาสตร์เดียวที่มนุษย์ในโลกเนี่ยไม่ค่อยมาศึกษาและมาค้นคว้ามาคิดกัน ลือศีโยคียตะกอนเนี่ยเขาออกค้นหาความไม่ตายพู้เจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ออกค้นหาความไม่ตายเหมือนกันว่าทำยังไงจะไม่ตายแต่การไม่ตายนั้นไม่ใช่ให้ของที่ตายแล้วมันไม่ตายไม่ใช่ให้ความเป็นดินน้าไฟลมก้อนกายของโยมเนี่ยมันดํารงอยู่เพราะก้อนกายของโยมมันเป็นของที่ต้องตายนะแต่ความไม่ตายเนี่ยมีนะคือวิมุตติหรือนิพานนะซึ่งถ้าสามารถ ปล่อยวางของที่แก่เจ็บตายแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงความไม่ตายโดยอัตโนมัตนะินั้นอยู่ที่ว่าเราปล่อยวางของแก่เจ็บตายหรือเปล่านะขอบคุณครับผ ม, มความตายเนี่ยหมดไปได้ดับไปได้นะพักผลนิพพานจริงๆก็คืออมตะความไม่ตายนั่นเอง ชื่อแทนนิพพานก็คืออมตะไม่ตายก็นะ <c oughs> เป็นเรื่องแปลกนะอาตมาสมัยเป็นนักเรียนพูดเรื่องไม่ตายเนี่ยเพราะว่าใครไม่ตายเนี่ยไอ้บ้านี่บ้านแล้วนะไปพูดเรื่องไม่ตายเขาก็ตายกันหมดนะนะอืมแต่พอมาค่อยๆเรียนรู้ธรรมะคําสอนเอ้ผู้เจ้าพูดเรื่องนี้โดยตรงเลยนะ อันนั้นแต่ก่อนเรานึกว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรอย่างเนี้ยนะการเวียนว่าวตายเกิดอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ไม่ได้คิดว่ามันไปถึงเรื่องของความไม่ตายอ mm hmm. เพราะมันเป็นอะไรที่มันเกินจินตนาการนะมนุษย์มันจะไม่ตายได้มันมันก็ตายกันหมดนะ่ะนะอือย่างนี้พระอาจารย์คะฮะ uh huh. เออพระอาจารย์มีวิธีคิดที่จะตัดทางโลกได้ยังไงอะคะหมายถึงว่า วิธีที่เราจะมาบวชอย่างเนี้ก็มันคิดปุ๊บปั๊บก็คงไม่ได้หรอกโยมนะมันก็คือค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆอะ่ะพอยอมฝึกมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จืดไปจืดไปทีละเรื่องทีละเรื่องอะ่ะมันค่อยๆจืดไปเองอ่ะนะอ่านั้นมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจยัยถ้าเราถ้าเราปฏิบัติภาวนาเรื่อยๆมันจะเป็นไปเองเนาะ อ่าฮ uh huh. เปิดอย่าไปปิดมันนะเปิดทิ้งไว้เลยทานหมดก็เปลี่ยนใหม่จะถามเรื่องสมาธิอ่ะคะ่ะอ uh huh. คือถ้านั่งสมาธินานไปแล้วอย่างเช่นเรามีอาการปวดขาใช่ไหมคะมเวลาที่หนูดูลมหายใจอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าอาการปวดเหมือนใจมันไม่ปวดด้วยแล้วอะคะ่ะคือขามันยังปวดปวดอยู่นะคะแต่ แต่พอเราดูแต่ลมหายใจคือพยายามไม่เอาจิตไปดูตรงที่ขาเนี่ยคือใจมันรู้สึกสบายจนรู้สึกว่าเหมือนมันไม่มีขาแต่ก็เลยคิดติว่าไหนลองเอาใจไปดูตรงที่ขาก็ปรากฏว่ามันมันมันปวดมันทุรนทุรายมากอย่างเงี้ยแล้วถึงควรจะดูยังไงอะคะก็เปลี่ยนรีบทง่ายๆ่ยนั้นไม่จาเป็นจะต้องไปไปทนเราฝืนสักครั้งสองครั้งพอให้รู้ว่า อวางจิตได้ไหมอะไรได้ไหมถ้ายังทําไม่ได้ก็เปลี่ยนในริบทมันไม่ใช่วิธีเดียวที่จะต้องทําให้ผ่านให้ได้ไม่จําเป็นใช่ไหมคะไม่จําเป็นแล้วในสภาวะที่ที่ที่ขาปวดแต่ช่วงนั้นอะคือจิตอะไม่เอาไม่เอาใจไปดูไปดูไปดูที่ขาแล้วคือจะดูที่ลมหายใจอย่างเดียวมันมีความรู้สึกว่ามันสบายใจแล้วมันไม่มันไม่สนใจตรงนั้นนะค ะ, ะ, ะ, ะคื อ, ค, อคือจะดูตรงนี้หรือว่าจะให้ไปดูตรงที่ขาอย่างเงี้ยคะจะดูตรงที่จิต ในสภาวันนั้นจะให้ดูตรงที่จิตหรือดูตรงที่ขาะคะตรงไหนมันอยู่ได้พอดูขามันอยู่ไม่ไหวเห็นมั้นั่นใช่ค่ะก็อยู่กับลมผู้เจ้าสั่งอย่าลืมลมถ้าถ้าอย่างนั้ น, น, นถ้าหนทา ง, งที่ดีที่สุดก็คือถ้าดูลมหายใจแล้วไม่รู้สึกมีเวทนาก็ก็อยู่กับลมหายใจใช่ไหมคะก็อยู่ไปค่ะนะทีนี้พอจิตมาแวะเวียนตรงเนี้ยน่ะมันเจ็บเราก็เปลี่ยนเรบดยมปารบความเพียนทางจิตต่อสิ อะไรที่ทําให้ความเพียนทางจิตต่อเนื่องนอันนั้นนะ่ะเราก็ทําไปโยมไปฝืนความเจ็บปวดแล้วโยมก็ปลาระความเพียนไม่ได้เพราะทนทุกเวทนาไม่ไหวกับการที่โยมเอเป็นในยบทแล้วเราก็เดินจงกรมแล้วเราก็ปลาระความเพียนละนันทิได้ต่อเนื่องเดินเมื่อยเราก็มานั่งโยมละนันทีได้ตลอดต่อเนื่องตลอดเลยแกทีไม่ไหวละ จะเดินก็ขากะเพกแล้วจะไปนั่งก็ยังปวดขาอยู่ความเพียรก็หยุดไปเลยใช่ไมไก่คนยังได้ทำความเพียรตลอดเพราะเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆนะโยมมุ่งความเพียรทางจิตเป็นหลักสิกายมันก็สลับไปมาผู้เจ้าจึงสอนพิสูุให้เดินสลับนั่งตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแข่งลาตรียามสองนอนยามสามตื่นตื่นแล้วก็ให้เดินสลับนั่งมาจนทั้งเชา้าไม่ได้สอนให้นั่งจนแข้งขาหัก ใช่ไหมอยอมดูผู้เจ้าสอนเป็นหลักสินะไปฟังโคนโน้นคนนี้มันก็ยุ่งตายเลยนะพระอาจารย์ครับอขอเอน้นครับพระอาจารย์ครับถ้ามดว่าสมมุตินะฮะถ้าเกิดนั่งสมาธิไปเรื่อยปุ๊บจนายาตนตาห้าดับไปจนมันเห็นลมหายใจเดียวแล้วก็ไปอยู่ความนิ่งแล้วมันก็ไปเห็นความสว่าง เราจะเลือกอยู่ระว่างความสว่างความนิ่งหรือลมหายใจครับเราจะเอาหลุดพ้นหรือเอาอะไรล่ะเอาทั้งหมดเลยครับนายโยมไม่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเหรอก็หลุดก่อนก็ได้ครับมันต้องอันดับแรกเลยไม่ใช่ว่าหลุดก่อนก็ได้ต้องปฏิบัติเนี่เพื่อความหลุดพ้นอันดับแรกรแล้วพระเจ้า ก, ก็บอกอย่าลืมลมหายใจแค่นั้นเองแล้วก็ให้เห็นการเกิดดับใช่ไห ม, มแล้วถ้าสามอย่างนี้จะอยู่ตรงไหนครับก็อยู่กับลมไป ลมอย่างเดียวนะครับอาจารย์ใช่แล้วพอเห็นการเกิดดับก็หลุดพ้นได้แล้วแต่ก็คือถ้าอายตนะหดับไปก็คือไม่เป็นไรก็อยู่แค่ตรงนี้ก็อยู่แค่ตรงนั้นได้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นครับถ้ามันจะไปตรงนั้นก็ก็ปล่อยมันก็ปล่อยมันก็ดูเราก็ดูไปเฉยแต่ไม่ต้องไปอะไรมันใช่ใช่โอครับอาจารย์ขอบคุณครับนั่งสมาธิก่อนเลิกไหมเนีย ทำสมาธิกันสักพักหนึ่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะสักสามสี่นาทีน ะ, อะลองตั้งใจแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยให้จิตมันดิวกับลมอย่างเดียวนะความตั้งใจก็ตั้งใจพอดีนะตั้งใจมากมันจะเครียดคัดผู้เจ้าเปรียบเหมือนจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีนะ ก่อนออกจากสมาธิก็แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย นั้นก็ค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิมาอ่าก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาถวายทานรักษาศีลภาวนานะฟังธรรมะของพระตาาคตก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดวางสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพาน ในนาคตการอัในใกล้โดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิญ